การประชุมออนไลน์ครั้งที่5ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่10เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกดรเอเดรียนเฮรองศาสตราจารย์กิติมาศของ School of Demographic ที่อ u สเต a l i a n National University ได้นำเสนอในหัวข้อ การปรับปรุงเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศปัจจุบันนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหนักในด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้เราต้องมีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals ที่มีจำนวนทั้งหมด17ข้อซึ่งเป้าหมายในข้อที่13ได้กล่าวถึงเรื่องการปฏิบัติการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศซึ่งต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ซึ่งวิธีการดำเนินการในข้อ2ของเป้าหมายข้อนี้คือการส่งเสริมกลไกลที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผลในประเทศพัฒนาที่น้อยที่สุดและให้ความสำคัญต่อผู้หญิงเยาวชนและชุมชนท้องถิ่นและชายขอบ ดังนั้นถ้าเราต้องการให้บรรลุปเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนพศ2573ได้เราต้องแก้วิกฤตที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นพร้อมทั้งควรมีการปรับปรุงด้านสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในระหว่างการกำหนดระเบียบวาระการพัฒนาของปีพศ2573นั้นได้ประสบความสำเร็จในการกำหนดเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ระบุไว้ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน2เป้าหมายคือ หเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่3เรื่องสุขภาพดีและความเป็นอยู่ที่ดีโดยทําให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดํารงชีพและการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในทุกช่วงอายุโดยข้อ 3.7 ได้ระบุว่าสร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการข้อมูลการให้การศึกษาเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์โดยทั่วนหน้า รวมถึงการวางแผนครอบครัวและการผรสานอนามัยเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติภายในปีพศ2573 2. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่5เรื่องความเท่าเทียมทางเพศโดยให้บรรลุถึงความเท่าเทียมกันทางเพศและส่งเสริมพลังของสตรีและเด็กหญิงทุกคนโดยข้อ 5.6 ได้ระบุว่าสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิการเจริญพันธุ์โดยทั่วนหน้าตามที่ตกลงในแผนปฏิบัติการของการประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรและ การพัฒนาและแผนปฏิบัติการปักกิ่งและเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมทบทวนเหล่านั้นโดยเป้าหมายที่1ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่3คือการลดอัตราส่วนการตายของมารดาทั่วโลกให้น้อยกว่า 70% เซต่อการเกิด1 0 0 0 0แสนครั้งภายในปีพศสอ7 3 ซึ่งตัวชี้วัดในเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้คือ 1. การไม่วางแผนครอบครัว 2. อัตราส่วนการตายของมารดาเนื่องจากการวางแผนครอบครัวนั้นสามารถลดการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจการทำแท้งรวมถึงการลดการเสียชีวิตของมารดาได้ ซึ่งเป้าหมายทั่วโลกคือการเข้าถึงการบริการวางแผนครอบครัวระดับสากลและให้การไม่วางแผนครอบครัวนั้นควรลดลงเป็นศูนย์ภายในปีพศส5 7 3 แต่ถ้าต้องการให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในการที่จะบรรลุเป้าหมายควรลดให้เหลือเพียง 10% แทนที่จะเป็นศูนย์ภายในปี2573ซึ่งการประมาณการนี้ได้แสดงให้เห็นว่าบางประเทศในภูมิภาคนี้ได้บรรลุเป้าหมายแล้วอันได้แก่ประเทศจีนฮ่องกงอิหร่านนิวซีแลนด์สิงคโปร์เกาหลีใต้สรลังกาไต้หวัน ไทยและเวียดนามแต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ยังคงต้องไปให้ถึงเป้าหมายแนวโน้มในปัจจุบันนี้6ประเทศในเอเชียใตย้ได้แก่ประเทศอัฟกานิสถานปากีสถานเนปาลอินเดียมาดิฟและบังคลาเทศนั้นต้องมีการจัดการเรื่องการวางแผนครอบครัวมีแต่เพียงประเทศบังคลาเทศเท่านั้น ที่คาดว่าจะถึงเกณฑ์ 10% ภายในปีพศ2573ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีประเทศที่เข้าเกณฑ์ 10% ได้แก่ประเทศสิงคโปร์เวียดนามและไทยแต่ในประเทศกัมพูชามีการลดลงอย่างมากในช่วงศตวตรรษปัจจุบันนี้ส่วนประเทศที่ไม่ถึงเกณฑ์ 10% ได้แก่ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และพามา่าแต่ประเทศอินเดียกับค่อนข้างโดดเด่นในเอเชียตะวันออกนั้นมีประเทศที่เข้าเกณฑ์ได้แก่ประเทศจีนไต้หวนันฮ่องกงเกาหลีใต้ส่วนในหมู่เกาะแปซิฟิกมีประเทศที่ไม่เข้าเกณฑ์อยู่ที่ 20% หรือสูงกว่านั้นในปีพศ2563และส่วนประเทศซามัวนั้นไม่เข้าเกณฑ์เกือบถึง 40% ดังนั้นสำหรับบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเข้าถึงการบริการการวางแผนครอบครัวระดับสากลแล้วแต่ยังมีบางประเทศที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เข้าถึงระดับสากลได้ภายในปี2573แต่ประเทศกลุ่มที่3ในเอเชียใตย้และหมู่เกาะแปซิฟิกนั้นควรต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ ทั้งในระดับนโยบายและโครงการต่างๆที่ต้องพยายามอย่างมากเพื่อให้ผู้หญิงเข้าถึงการบริการการวางแผนครอบครัวได้อย่างทั่วถึงซึ่งจากที่กล่าวมาแล้วว่าตัวชี้วัดตัวที่2คืออัตราส่วนการตายของมารดาโดยมีเป้าหมายในการลดอัตราส่วนการตายของมารดาทั่วโลกให้เหลือน้อยกว่า 70% ต่อ1แสนครั้งของการเกิดภายในปีพศ2573 ในช่วง20ปีที่ผ่านมาประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์และนิวซีแลนด์มีอัตราส่วนการตายของมารดาต่ำสุด 15% หรือน้อยกว่าส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ประเทศไทยและมาเลเซียและเวียดนามมีอัตราส่วนการตายของมารดาต่ำกว่า 70% ในเอเชียตะวันออกได้แก่ประเทศจีนและมองโกเลีย มีอัตราส่วนการตายของมารดาต่ำกว่า 70% ในมหาสมุทรแปซิฟิกได้แก่ประเทศฟิจิมี 34% ส่วนประเทศซามัวต่ำกว่า 70% แต่บางประเทศในเอเชียใต้มีอัตราการตายของมารดาสูงมากได้แก่ประเทศเนปาล 186% บังคลาเทศ 173% อินเดีย 145% ปากีสถาน 140เปอร์เซ็นตัวชี้วัดทั้งสองนี้มีจุดประสงค์ในการวัดสถานะทั่วไปในด้านสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของวัฒนธรรมต่างๆในภูมิภาคซึ่งเป็นงานที่มีความท้าทายของแต่ละประเทศโดยควรมีนโยบายใหม่โปรแกรมใหม่ผู้ให้การบริการที่มีมากขึ้นการพัฒนาในด้านการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และมีการส่งมอบการบริการที่ดีขึ้นกิจกรรมเหล่านี้ต้องการการปรับปรุงรวมถึงกิจกรรมในส่วนอื่นๆด้วยเช่นการลดความยากจนการมีโภชนาการที่ดีขึ้นการขยายและปรับปรุงการศึกษาสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะการปรับปรุงการบริการด้านน้ำสะอาดและสุขาพิบาลการมีพลังงานสะอาดใช้ ส่วนการปรับปรุงเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์นั้นควรพัฒนาโดยให้แยกออกจากการพัฒนาด้านอื่นๆเนื่องจากการพัฒนาทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่ต้องทำเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์อาจดูเหมือนมีบทบาทเพียงเล็กน้อยในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่การปรับปรุงด้านสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ก็เป็นสิ่งสำคัญในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปีพศ2573วารุณีขัดเตมีรายงาน